สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับเช้า ว, วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์เรากําลังเตรียมตัวไปนมัสการพระเจ้ า, าที่โบสถ์กันพี่น้องครับในวันนี้หัวข้อในชีวิตพระเยซู ต, ตอนที่สี่สิบสี่แล้วนะครับหัวข้อย่อยในวันนี้ก็คือยูเดียสมาเรียและกาลิลีเราจะมาทําความรู้จักกันนะครับว่ายูเดียสมาเรียและกาลิลีเป็นอย่างไรบ้างในเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับบริบทของพระกัมภีร์ ซึ่งมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในทั้งสามแควนี้นะครับก็คือยูเดียสมาเรียและกะเร ล, ลีและความรู้ที่ได้รับจากตรงนี้นะครับเราก็อาจจะสามารถที่จะนําไปใช้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นในแผ่นดินปาเลสไตน์ได้ด้วยพี่น้องครับถ้าพี่น้องพลิกไปด้านหลังของพระองค์พีเราจะเห็นแผนที่ของพระองค์พีในสมัยยุคพันธสัญญาใหม่นะครับเราก็จะเห็นมีดินแดนอยู่นะครับสําคัญสําคัญนะครับ S <S <an> ก็คือมีอยู่สี่ดินแดนด้วยกันดนแดนแรกนะครับอยู่ทางด้านซ้ายข้างล่างนะครับก็คือแควน้นยูเดียดินแดนที่สองก็คืออยู่ถัดขึ้นมาทางเหนือนะครับต่อจากแคว้นยูเดียขึ้นมาก็คือแคว้นสมาเรียแล้วก็ขึ้นมาอีกนะครับก็คือแคว้นกลิรีอันนี้อยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ําจอแดนนะครับส่วนทางด้านตะวันออกของแม่น้ําจอแดนนั้นก็ในสมัยพระมุทีใหม่นั้นก็จะมีแคว้น แคว้นหนึ่งนะครับก็คือเพเรียนะครับอันนี้คือสี่แคว้นสําคัญๆที่อยู่ในปาคกัมพีใหม่ถ้าเราจะเพิ่มเติมความรู้ของเรานะครับก็จะมีอีกแคว้นหนึ่งนะครับอยู่เนือเพอร์เรียนะครับทางด้านตะวันออกของแม่น้ําจอแดนก็คือพัสบุรีหรือเดคคาโพลิสนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับสี่ถึงห้าแคว้นด้วยกันใหญ่ๆที่อยู่อรอบแม่น้ําจอแดนนะครับ เหนือแม่น้ำจอแดงขึ้นไปนะครับก็จะมีทะเลสาบกลลิรี่นะครับแล้วก็ใต้แม่น้ำจอแดงขึ้นมาลงมานะครับก็จะเป็นทะเลตายนะครับอันนี้คือภูมิภูมิประเทศที่สำคัญสำคัญรวมทั้งแคว้นนะครับแม่น้ำทะเลทั้งหลายพี่น้องครับขณะที่พระเยซูได้เสด็จจากเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในแคว้นยูเดียเพื่อที่จะขึ้นไปทางเหนือนะครับไปถึงแคว้นกลลิรีจะต้องผ่าน นะครับแคว้นสมารียถ้าหากว่าพระเยซูต้องการเดินจากยูเดียตรงไปที่สมาเรียเลยนะครับก็เลยไปที่กะลีลีนะครับถ้าตั้งใจที่จะเดินจากยูเดียไปกะลีต้องผ่านแคว้นสมารีครับทีนี้มีทางเลือกที่สองครับที่จะไม่ผ่านแคว้นสมาเรียก็คือข้ามแม่น้ําจอแดนไปนะครับแม่น้ําจอแดนซึ่งอยู่เหนือทะเลทรายข้ามไปทางด้านตะวันออกของแม่น้ําจอแดน ก็คือต้องผ่านแพรแคว้นเพเรียนะครับอันนี้ดูง่ายๆถ้าพี่น้องดูในแผนที่พี่น้องจะเข้าใจได้ทันทีเลยนะครับทีนี้เราจะต้องทราบถึงความแตกต่างของแคว้นทั้งสามนะครับก็คือแคว้นยูเดียแคว้น <c oughs> แวนสมาเรียและแคว้นลกรีครับยูเดียนั้นอยู่ทางตอนใต้นะครับครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนของเผ่ายูดาเผ่าดาน เผ่าเบนจามินและเผ่าซิมโออนครับยูเดียเน่นถือว่าเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดในสามแคว้นเมืองต่างๆในแคว้นยูเดียเป็นที่รู้จักกันดีเช่นเบตเลเฮมนะครับซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพระเยซูและเป็นบ้านเดิมของกษาตัตย์ดาวิดนะครับและเยริโกนะครับเยริโก er ก็เป็นเมืองโบราณมีอายุ ถ, ถึงหนึ่งหมืนปีนะครับ และอีกเมืองนึงที่สําคัญที่สุดก็คือเยรูซาเล็มซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารและเป็นเมืองหลวงของแคว้นยูเดียด้วยเรามาดูแคว้นซามารียกันนะครับแคว้นซามารียนี้ก็ขั้นกลางนะครับระหว่างทางเหนือคือแคว้นเกเรลีและทางใต้ก็คือแคว้นยูเดียแคว้นนี้นะครับถ้าทางภูมิศาสตร์แล้วก็อยู่ใต้เชือกเขาคาราเมลพี่น้องครับพี่น้องคงจําเชือกเขาคาราเมลได้นะครับก็คือเหตุการณ์การพนันขันต่อ ระหว่างโปรเฟตหรือผู้เผยพระชนะหรือประกาศกนะครับเอริยากับใครครับกับพระบาอันนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เทือกเขาคารเมลสมารเรีนนั้นเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกเลือดผสมที่เรียกว่าสมารเรียนหรือชาวสมารเรียนั่นเองในช่วงที่ชนชาติฮีบรูนะครับในสมัยโบราณ ก็คือแบ่งการปกครองเป็นอิสราเอลฝ่ายเหนืออิสราเอลฝ่ายใต้อิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับก็เป็นที่อยู่ของคนสิบเผ่าอิสราเอลฝ่ายใต้นะครับก็คือยูเดียนะครับเป็นที่อยู่ของอิสราเอลสองเผ่าหรือสองเผ่าครึ่งนะครับในช่วงที่อัสซีเรียนั้นซึ่งเป็นมหาอำนาจในสมัยโบราณนะครับประมาณศตวรรษที่แปดก่อนคศออก็บุกมาโจมตีนะครับโจมตีอิสราเอลฝ่ายเหนือ ซึ่งเวลานี้เป็นสมารียนะครับโจมตีอิสราเอลฝ่ายเหนือทำให้อิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นแตกวิธีการโจมตีของเขาวิธีการครอบครองนะครับประเทศที่แพ้สงครามเขาเขาใช้วิธีการที่ว่าเอาคนอื่นนะครับมาอยู่ในดินแดนที่เขาตีได้ทำให้เกิดเลือดผสมครับเพื่อที่จะทำลายความเป็นชาติของอิสราเอลฝ่ายเหนือ ก็เลยใช้เลือดผสมหรือใช้คนอื่นมาอยู่ในแคน้นนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือกลายพันธุ์นั่นเองในช่วงที่คนฮีบรูนั้นถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยในกรุงบาบิโลนซึ่งเกิดขึ้นประมาณศตวตรรษที่หกก่อนครศนะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เยรูซาเล็มนะครับก็แพนะ้เราจะแยกเป็นสองเหตุการณ์ด้วยกันนะครับคือ สมาเมรียแพ้นะครับกับยูเดียแพ้นะครับสมาเมรียนั้นเดิมทีนั้นเป็นอิสราเอลฝ่ายเหนือครับยูเดียก็คืออิสราเอลฝ่ายใต้ภาษาอังกฤษเขาแยกกันนะครับเขาว่า Northern Kingdom north Northern Kingdom นะครับแล้วก็เซาท์เอนคิงดัมเซาท์เอนคิงดัมหมายถึงอิสราเอลฝ่ายใต้นะครับแตกกันคนละ ค, นะครับทีนี้คนยิวนั้นที่ยังหลงเหลืออยู่ในอิสราเอล นะครับอยู่ในแคว้นสมาเรียก็แต่งงานกับคนต่างชาติครับและวงวันที่สืบต่อมาก็ถูกเรียกว่าพวกสมาเรียพี่น้องครับคนสมาเรียนั้นเป็นที่เกลียดชังของคนยิวเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนของพวกยิวนะครับความจริงแล้วชาวยิวเนี่ยก็กระจัดกระจายอยู่ทั้งสามแคว้นก็คือยูเดียสมาเรียและแกรริลีนะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยถ้ า, าว่าเป็นพวกสมาเรียแล้วนะครับถือว่าเป็น กลุ่มที่ถูกดูถูกที่สุดครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเลือดผสมนะครพี่น้องครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าแคว้นกาห ล, ลีเป็นยังไงบ้างแคว้นเกาห ล, ลีนะครับเป็นแคว้นตอนเหนือคนอยู่ในเยรูซาเล็มก็มีอาคาติต่อชาวเกาห ล, ลีเหมือนกันครับเนื่องจากว่าชาวแคว้นนี้มีภาษาท้องถิ่นเฉพาะของตัวเองครับเดี๋ยวเราจะาดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันสําคัญสําคัญถึงเจ็ดประการด้วยกันพี่น้องครับ คนกะ ล, ลีนั้นเลือกอาศัยอยู่ห่างไกลจากเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางของศาสนาแล้วก็คนยิวหรือพวกลับบีหรือพวกธรรมจารพวกฟาริสีเนี่ยก็ครอบครองเยรูซาเล็มอยู่ชาวกา ล, ลีนั้นก็ถูกถูกดูหมิ่นจากคนยิวในแคว้นยูเดียยังไงก็ตามครับชาวกะ ล, ลีเป็นคนที่ซื่อตรงจงรักภักดีในชาติและศาสนายิว พระเยซูทรงเป็นชาวแคว้นกัลลีเพราะว่าพระองค์นั้นเติบโตที่นาซาเลสแม้ว่าจะเกิดที่แคว้นยูเดียนะครับแต่ว่าพระองค์เติบโตที่นาซาเลสนาซาเลสนั้นอยู่ในแคว้นกัลลีครับแล้วก็สาวกของพระองค์นะครับ11คนที่พระเยซูทรงเลือกให้เป็นอัครทูตนะครับเป็นสาวกวงในเลยครับ11 2คนนะครับมี11คนเป็นชาวกัลลีครับที่น้องลองเ ด, ดูสครับว่าใคร ที่เป็นชาวยูเดียหรือว่าอยู่ในแคว้นยูเดียครับคําตอบก็คือยูดาอิสคาริโอทครับคําว่าอิสคาริโอนั้นแปลว่าชาวคาริโอทคาริโอทเป็นชื่อหมู่บ้านในแคว้นยูเดียครับเพราะฉะนั้นยูดาสเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นสาวกพระเยซูซึ่งมาจากแคว้นยูเดียพอกจากันมาจากแคว้นอื่นทั้งสิ้นครับพี่น้องครับผมบอกแล้วนะครับว่าสองเส้นทาง สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปมาระหว่างเยรูซาเล็มกับเกลิลีนะครับจะต้องเดินตัดสมาเรียนะครับขึ้นไปที่เกลิลีหรือจะใช้เพเรีก็ ไ, ได้อันนี้คือเป็นเหตุที่ทําให้พระเยซูนะครับในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่สีซึ่งเราจะดูต่อไปในอีกสองวันข้างหน้านะครับได้บอกว่าทําไมพระเยซูจะต้องเดินผ่านแคว้นสมาเรียไปเพราะว่าพระเยซูได้รับบัญชาจากเบื้องบนขอพระเจ้าได้ทรงอวยพ ร, พรในวันนี้ ให้การนำสการของพี่น้องทุกท่านรวมทั้งผมด้วยนะครับได้รับการทรงนำเราจะประจักษ์แจ้งเห็นสง่าราศีของพงเพื่อที่ชีวิตของเราจะถวายเกียรติพงต่อไปอาเมี